ดีเอาออกทิ้งไปบ้านเราจะได้สดใสเสน่ห์จันไรจะต้องไม่มีเทวาจะลงรักษาสเสน่ห์จะมาบ้านก็สุขกฎแงกรรมนั้นมีมานานนานเมื่อไหร่ก็ไม่รู้สังสารวัตรเริ่มต้นเมื่อไรก็มีมาพร้อมกันเลย<อ>แต่ว่าเบื้องต้นและเบื้องปลายของสังสารวัตรนี้ไม่ปรากฏ หมาความว่ายังไม่มีใครสาวไปถึงจุดตรงนั้นได้แต่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านไปรู้ไปเห็นมาเห็นแล้วท่านก็ห่วงใยสรรพสัตว์ทั้งหลายจึงเอามาสอนนั่นแหละเนี่ยเรามีบุญที่ได้เกิดอยู่ในร่มเงาของพุทธศาสนาเพราะนั้นเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าหลวงท่านยังห่วงใ ย, ยเพื่อมนุษย์รเราก็ต้องห่วงใย กั บ, บเพื่อมมนุษย์เหมือนกันนะลุงนะรทรัพย์ที่ได้มาจากความเดือดร้อนของเพื่อนมนุษย์จะไปยินดีเลยจะ ก, กี่พันกี่หมื่นกี่แสนล้านถึงจะมีมากมันก็รับประทานอาหารได้มื้อนิดหน่อยพอยุ่งข้าวในตวงเราก็นิดเดียวมีรถสักพันคันก็ใช้ได้ทีละคันคมีบ้านทองคำ เป็นพันหลังก็ได้ทีละหลังครับเตียงก็ทีละเตียงมันทีละเท่านั้นแหละไม่ช้าก็ตายแล้วเมื่ะนั้นตั้งห่วงใหญ่แต่เพื่อมนุษย์ตัดใจนะลูกนะเอตซับเล็กๆเต็เเ น, น่อยแต่ได้มาบนความเดือดร้อนของเพื่อมนุษย์เราเนะี่ยซึ่งแต่ละคนก็เคยเกิดเป็นญาติเราทั้งนั้นนะบางครั้งเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีเป็นภรรยาเป็นลูกเป็นเต้าเป็นอะไรต่างๆกัน ปีป่าหน้าอาปีป่าหน้าน้องเงินต้องห่วงใหญ่เรามาเกิดกันชาตินี้เราลืมไปแล้วว่าเคยเป็นเครือญาติกันเหมือนเครือกล้วยนะเราลืมกันไปแล้วเมื่อไหร่เราเข้าถึงพระธรรมกายมีธรรมจักขุมียานนทสันนันั่นแหละถึงจะรื้อฟืน้นความเป็นเครือญาติเกิดขึ้นมันจะเห็นประแสงสวา่างมนกระจัดความมืด ในดวงใจหมดไปความลักแต่ที่มีมาก็จะถูกเปิดเผยให้เราได้รู้ได้เห็นเงนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องห่วงใยเพื่อมนุษย์เหมือนทีมนี้ลูกพระรา mm hmm. อยู่จังหวัดยะลาศู oh. นย์ปฏิบัติธรรมมณีทิพนี่เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังโอ้ oh. หน้าตื่นเต้นตื่นตา mm hmm. ตื่นใจทีเดียวศู mm hmm. นย์แห่งนี้ ได้รับความกรุณาจากพันเอกมณีจันทิพผูมัคับการกรมทหารพรานที่4 1และครอบครัวโดยได้เริ่มใช้สร้างบารมีเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2545เป็นต้นมาได้สร้างบารมีหลายๆอย่างเช่นฟังฝันในฝันทุกๆวันแล้วก็บูชาข้าพระทุกอาทิตย์ต้นเดือน รวมถึงการทำกิจกรรมต่างๆทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเมื่อมีงานบุญใหญ่ที่วัดก็จะจัดรถบัสนำสาุชนมาซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ15บห้าชั่วโมงโลูกๆทุกคนนั้นไม่ได้ย่อท้อละทุ่มเทาการสร้างบารมีกันอย่างเต็มที่แม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่ที่มีชาวพุทธจำนวนน้อยก็ตามไม่ได้ยินพระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกว่า เรานะ่อยู่ที่ตรงไหนก็ให้ทําที่ตรงนั้นให้สว่างสวยัยลูกๆ ก, ก็เห็นว่าชีวิตนี้นะ่มีคุณค่ายอย่างมากมายลูกๆเดี๋ยวฟังฝันในฝันทุกๆวันและคงขาไม่ได้เลย <c oughs> ไม่ต้องแรงกันอะนี่ว่าดีมากขนาดไหน <c oughs> เพราะชีวิตของลูกๆดมมีความสุขมากแต่ปฏิบัติตัวตรงกับหนทางพระนิพพานมากขึ้น ชีวิตที่ผ่านมาเหมือนยืนอยืนณที่มืดจนไม่พูดที่มีเมตตาอย่างหาที่สุดไม่ได้และมีมหากรุณานยิ่งใหญ่ได้เปิดช่องใจแสงสว่างให้ชีวิตใหมแ่แก่ลูกๆอย่างแท้จริงนั่นก็คือคุณครูแม่ใหญ่ของลูกๆทุกคนลูกๆชอบฟังเพลงชีวิตสมณะมาก มากมากมากเพราะที่ส่วนสนย์มากจะเป็นพูดดอยโอกาสวงเล็บอุบาสิกาเยอะมากฟังที่รายใจจะเป็นพระแม่กายอยากจะเป็นไปไม่ได้ก็ตามและคิดว่าสักวันหนึ่งคุณครูคุณครูไม่อยากผมไม่ตายให้มีเพลงชีวิตสมณะเวอร์ชันภาษาใต้เอาไงดีดีครับ อืโนราโนรีิไก่เผ า, าบุรีสุราเมไรเนี่ยถ <c oughs> ึงจะเป็นคนใต้ที่แท้ <c oughs> จริงจวนละจวนจะเป็นเพลงแล้ย <c oughs> เมื่อกี้ครูรู้ไม่ใหญ่พูดสำเนียงภาษาใตาท้ทีไรลูกๆก็ alert ตื่นตัวประทับใจอย่างยิ่งเมืคอกี้ครูไม่ใหญ่มีมาโคโรนาไปทั่วทั้งประเทศและทั่วโลกยิ่งในช่วงนี้ เป็นยู่ของการทำให้ตนเองและบ้านมีสเสน่ห์โดยการกำจัดเสน่ห์ทุกอย่างออกจากบ้านหลลูกตั้งแต่ได้สร้างปรามีกับเด็พระคุณหลวงพ่อมาก็ไม่มีใครดื่มสุราหรือสูบบุหรี่เลย mm hmm. ก็คิดว่าชีวิตคงสมบูรณ์แล้วแต่เมื่อได้ฟังพระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกว่าถึงไม่ดื่มแต่มีเก็บเอาไว้ก็ถือว่าไม่เป็นสิริมงคลเป็นสเสน่ห์กับตนเองและครอบครัว เทวดาจะไม่ได้ช่องที่จะลงมารักษาคุ้มครองจงเมื่อคิดว่าอุตสาสร้างบรมีและเป็นลูกพระราชมาตลอดต้องเป็นลูกแท้ไม่ใช่ลูกบุญธรรมต้องเป็นลูกที่สมบูรณ์ให้ได้จึงเกิดแรงบันดาลใจในการชักชวนกัลยาณมิตรหลายๆท่านที่มีสุราหรืออบายมุขที่เก็บเอาไว้มาเทและทุบพร้อมกันที่ศูนย์ ในวันที่หมิถุนายนที่ผ่านมาและเพื่อเป็นสิริมงคลมากยิ่งขึ้นก็นิมนต์เจ้าคณะอําเภอและคณะสงฆ์ในจังหวัดววพระภิกษุจากวัดประธรรมกายรวมแล้ว9ก้ารูป<า>และก็มีกัลยาณมิตรทั้งคนเก่าคนใหม่ประมาณ50คนโดยวิธีเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์และกะัลยาณมิตรเข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิญยาณในเวลาหนึ่งทุ่มมจบแล้วก็เริ่มประกอบพิธีโดยมีพันเอกบณีจันทิพย์ เป็นประธานในการเทและกระยายมิรที่เตรียมเล่ามาก็ได้เทพร้อมๆกันคณะสงฆ์ก็สวดชยันโต oh. แล้วก็ให้โอวาทอนมธนาแหมดีจังเลยโอ้ oh. ต้องกราบแทบเท้าเจา้าคณะอำเภอแล้วก็คณะสงฆ์ทุกรูปด้วยด้วยความเคารพรักษ์เรื่มใสจริงๆเล ย, เยจากนั้นก็ได้ถวยถายทยธรรมแด่คณะสงฆ์วรพรเสร็จก็ได้นาสุราไปเททิ้งและทุบขวดพร้อมๆกัน ทุกทกคนปลื้มมากที่สุดในชีวิตที่ได้ฮักดิบแต่เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่คนใหม่ๆรู้สึกถึงชีวิตนี้คุ้มค่าที่ได้เป็นลูกของพระเดชพระคุณหลวงพอ่อซึ่งโดยรวมรวงความประทับใจบางส่วนของคณะสงฆ์และกัลยาณมิตรที่ได้มาเทสุราดังนี้ค่ะ <c oughs> พระครูรามันคณารักษ์เจ้าคณะอําเภอรามันวัดเวรุวันจังหวัดยาลา <c oughs> ได้กล่าวว่ากิจกรรมละเลิกอใบยมุก บงแล็บเททิ้งน้ำอุบาทที่หลวงพ่อธรราชยโยได้สอนและทุกท่านได้จัดขึ้นในวันนี้เป็นกิจกรรมที่น่ายกย่องอย่างยิ่งน่าจะจัดให้มีขึ้นมาอย่างต่อนเนื่องจนกว่าน้ำอุบาทนี้จะหมดไปจากโลก<ค><ณ>ถ้าหากใครต้องการจะทำกิจกรรมนี้อีกไม่ว่าที่บ้านที่ศูนย์หรือทุกทุกที่ หลวงพ่อยินดีไปเป็นสักขีพยานและสดวดเจดียโตให้ยางเต็มใจบอกมาได้เลยสาธุพระมหาเรวัตวัดเมืองยาลากิจกรรมเทล่าหรือเทน้ำอุบา ท, ที่ทําในวันนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆตมาเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครัรณรงค์ให้คนมารักษาศีลห้ากันให้ครบสมบูรณ์โอกาสหนะ้าถ้ามีกิจกรรมอย่างนี้อีก และสิ่งใดที่จะมาสามารถช่วยได้ก็ขอบอกยินดีช่วยเต็มที่สาธุโอ้โหพันเอกมณีจันทิพย์ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่41จังหวัดยะลากิจกรรมนี้ดีมากครับพระธิมาในวันนี้ท่านก็มีความสนใจในการฟังรายการฝันได้ฝันกังพระเดชพระคุณหลวงพ่อและเห็นด้วยกับกิจกรรมนี้มากครับ ตัวของผมเองไม่ได้ปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมะเข้าลงเรียนอนุบาลฝันให้ฝันจึงไม่แรงบันดาลใจที่จะเลิกและขอให้คำมั่นในงานกับทุกคนว่าจะเลิกสุลาโดยเด็ดครับสาธุนับจากงานนี้เป็นต้นไปเพราะที่บานมาก็ไม่ได้ดืม่มประจํานอกจากเข้างานสังคม สังคมเนี่ยเราก็ต้องสร้างใหม่นะลูกนะต้องสร้างกันใหม่มันจะออกนอกรูนอกทรรมกันแล้วแลออ้วคงขยายผลเรื่องกิจกรรมนี้ให้กว้างขวางต่อไปที่สําคัญต้องนําทุกคนมาปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมะเขาจะได้มีกําลังใจในการฮักดิบเลิกได้อย่างเด็ดขาดแต่ขาดธรรมะก็ขาดแรงบันดาลใจอย่างแท้จริงที่จะเลิกอย่างถาวรผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกกริตพรมทองนายกพุทธสมาคมจังหวัดยาลา ได้กล่าวว่าเห็นด้วยกับการชวนคนมาปฏิบัติธรรมร่วมกันในหมู่คณะและกิจกรรมรณนนรง์การรักษาศีลห้าโดยเฉพาะศีลข้อที่ห้าในการกำจัดตัวเสนียดออกจากบ้านเป็นการดีมากครั้งต่อไปถ้ามีโครงการเช่นนี้อีกอยากจะเชิญผู้ดื่มสุรามาร่วมดูต้นแบบให้ได้ข้อคิดเกี่ยวกับโทษสุรา <mm และกิจกรรมนี้ควรส่งเสริมให้กว้างขวางยิ่งยิ่งนไปหลังจากกลับจากศูนย์แล้วท่านก็ออกรายการวิทยุ ร่วมกับพระมหาเรวัตเชิญชวนให้ชาวจังหวัดยรามาร่วมปฏิบัติธรรมที่ศูนย์และเลิกสุลาสาธุวัหน้าเอาสมททอระยุกระจายเสียง FM 102.5 จังหวัดยรากิจกรรมนี้ดีมากเลยค่ะโอกาสหน้าอยากให้มีการขยายภิสูกกลุ่มเยาวชนให้เยาวชนมามีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้เพราะจะได้เป็นกาลังสาคัญของสังคมต่อไป ซึ่งจะได้นํากิจกรรมนี้ออกรายการวิทยุในเวลา4ทุ่มของวันนี้หรือพรุ่งนี้เลยค่ะสาธุคุณประพิษวรานันตกคุณคนใหม่ที่มาร่วมงานเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมกิจกรรมของวัดพระธรรมกายเห็นการเทศน์สอนของรพอระเดชพคุณหลวงพ่อแล้วประทับใจมากไม่เคยเห็นมาก่อนดีมาก จะเข้าการปฏิบัติธรรมกับหมค่คณะในวกาสต่อไปให้ได้ค่ะสำหรับกิจกรรมเททิ้งน้ำอุบาทในวันนี้ดีมากเลย <c oughs> เป็นจุดเริ่มต้นแสดงให้เห็นว่าการทำความดีไม่ต้องทำแบบลบๆซ่อนๆแอบทำอีกต่อไปให้ยืดอกทำอย่างมั่นใจโดยเฉพาะการประกาศการทำความดีต่อชาวโลกอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพอ่อธรรมชโยกำลังทาอยู่อย่างต่อเ น, นื่องเห็นด้วยอย่างยิ่งและขออนโมทนาด้วยค่ะสาธุ ลูกชื่อนะไทยแซจิว๋วลูกพ ร, ราดหลังจากที่ได้ฟังประเดี๋ยวประคุณหลวงพอ่อเล่าถึงความร้ายกาจของสุราแล้วทําให้นึกถึงสุราที่เก็บไว้ที่บ้านห้าขวดเก็บมา้ยี่สิกว่าปีที่ได้นํามาเทแล้วก็ทุบในครั้งนี้ด้วยเห็นตัวอย่างการเทเน้ำอบบาทแล้วช่วงแรกๆก็นึกเสียดาย <laughs> แต่ท้ายที่สุดก็เปิดทางให้เทวดาลงมารักษาคุ้มครองดูแลก็ครัวได้อย่างเต็มที่ทําแล้วก็รู้สึกโล่งใจมาก เหมือนภูเขาใหญ่ทั้งลูกถูกยกออกไปค่ะสโลกแกนสำหรับวันนี้เลิกบุรีสุราเมลัยคือความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติเรามาดูภาพกัน <c oughs> นี่เทเล่าเผาบุรีขอไม่ดีเอาออกทิ้งไป <c oughs> ถัดมาคณะสงฆ์สวร ย, ยัันโต แล้วก็ให้อวาดอนโมทน บ, บุญแก่ผู้กลาทั้งหลายหลวงพ่อจองังหนาอำเภอเนี่ยให้ดูโอ้ก็เห็นไม่ชัดเนะเอาละเอาให้เห็นทุกรูปเห็นทุกรูปเลยโอ้โหโ อ, โอ้กลาบแทเท้าทุกรูปเลยแหมดีจังมาหากรรมเทล่าเอา้าเทเๆไปเลยโอ้โอ ยิมย้มแย้มแจ่มใสประทับใจตลอดการ<ม>ที่ตังเมย์แล้วเนี่ยนามอุบาทข้ามชาติ oh. พอกันทีนับแต่นี้ไป<ม>เททิ้งไปแล้วด้วยความเบิกบานแล้วก็ไม่ได<ม>้เส<ม>ียดายเลยลูกพระราชรแท้จร<ม>ิงต<ม>้องกล้าหารเทเล่าเผาบุรีอืม แม้ขวดสวยก็ไร้คุณค่าทุบทิ้งดีกว่าห่อผ้าทิ้งไปออเอาผ้าพลาสติกห่อแล้วก็ทุบกันเลยนี่ดูเห็นไหมนี่แหละวีรบุรุษวิรสุตีของโลกที่แท้จริงเป็นประดุจพระจันทร์บรรพณีพ้นหมู่เมฆ กำลังอธิษฐานจิตต่อแต่นี้ไปชีวิตใหม่ให้เจอแต่สิ่งที่ดีชิตังเมสาธุดูประธานศูนย์ <c oughs> ได้ดูทีมงานเห็นไหมจ๊ะหน้าตาเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสกันเ <c oughs> นี่ยพอชิตังเมแล้วเห็นไหมจ๊ะโ <c oughs> ง่เฮงดีทีเดียวหลบ <c oughs> เดี๋ยวเธอสิ่งดีๆจะไหลมาเทมา เตรียมล้างมือให้ดีนะลูกนะสาธุเอ้ามาดูท่านนี้โอ้โหเป็นประธานในการเทศราผู้กล่าประกาศเลิกสุลากลางงานอันเอกวณีจันทิพย์แม่ครูไม่ใหญ่ขออนุ ม, มทตนาสาธุการนะลูกนะสาธุ